จะพูดถึงเรื่องที่เกิดของพุทธศาสนาแล้วก็จิตในการที่จะทําพุทธศาสนาให้เกิดมีขึ้นในตนทุกตข้อที่สองข้อที่สามทำยังไงจะรักษาพุทธศาสนานั้นให้ถาวรมั่นคงต่อไปรักสามประการเคยพูดหลวมพ่อก่อนพูดถึงเรื่อง ที่เกิดพระพุทธศาสนาต้นตอบอกเกิดจริงจริงจงพระพุทธศาสนาที่อธิบายไปแล้วนี่ยังไม่ได้พูดทั้งเรื่องจิตที่จะทำให้ตาสนาเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วพอที่สามจะรักษาได้โดยธีใจจำจะต้องพูดทั้งเรื่องเบื้องต้นอีกก่อนมันยังไปเชื่อมกัน ที่ตั้งหรือบอ่อเกิดกำเนิดของพุทธศาสนาคือขั้มสองพุทธเจ้านะเกิดจากระจัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านสงบเป็นหนึ่งอาการที่เรียกว่าใจคืออาการเป็นหนึ่งในนั้นที่เรียกว่าเอกขตาจิตและเอกขตารลมเอกขตารลมนั้นยังมีอารมณ์อยู่ เพื่อนไปยึดจิตน่ยไปยึดอารมณ์แรนหนึ่งอยู่เช่นพิจารณากายขตาพิจารณาโครงกระดูกหรือจะพิจารณาลมหายใจือนเรานึกเอาความริการพุทโธจนจิตมันถอนมดเชื่อมปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างยังเหลือแต่พุทโธอันเดียว มีความรู้สึกเฉพาะพุทธโธอันเดียวสติควบคุมอยู่กับพุทธโธเบื้องต้นที่หลังมาพุทธโธกับสติกับใจอยู่เปน็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ถึงเอกสตาลมแท้ถ้าหากว่ายังเอาสติไปคุมใจให้อยู่กับพุทธโธ ถึงแม้ว่าจะละอารมณ์อื่นภายนอกก็ตามยังเหลือแต่เท่านั้นกับฉันอันนั้นยังไม่ใช่เป็นเทกักกกตารมคือมันมีหนึ่งสติสองใจสามอยู่กับอารมณ์นี่มันยังเป็นสองมันเป็นสามอยู่สติคุมใจให้อยู่ในพุทโธไม่หนีจากพุทโธ มันเป็นอาการสามถ้าหากว่าเป็นเอกสตาอลมคืออยู่ในอารมณ์มันเดียวหมายความมีสต่จิตกับอารมณ์มีแต่ใจกับอารมณ์สติรวมเข้าไปอยู่กับใจใจอยู่ตรงไหนอารมณ์อยู่ตรงนั้นอารมณ์อยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นสติเข้าไปรวมอยู่ในนัว่าไปอยู่ในในใจนั่นเลยซึ่งมีความรู้สึกเฉพาะอารมณ์เป็นนึกพุท โอ้เฉพาะรู้เฉพาะอารมณ์เท่านั้นอันนี้เรียกว่าเอกกตารมตรงนี้แต่ยั ง, ย, งยังไม่ได้ถึงยังไม่ไดนถึงหนึ่งต่เมื่อมันวางเสเอกกตารมมันก็ไม่บ่าละหายวูบไปหมดเลยอารมณ์นั้นมันก็ไม่ไม่กําหนดไม่ไมไมคำนึงถึงเลยไม่มีความรู้สึกในอารมณ์ แต่มันวางหายวุ่ไปหายวุ่ไปแล้วมันไปอยู่อนหนึ่งของมานต่างหากอันนั้นรู้ได้เฉพาะตนเองคือมีความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้ความรู้สึ ก, กนั่นแหละเอากาตาจิตเทกาตาจิตนี่แหละที่ตั้งหรือที่เกิดบ่อเกิดของธรรมะธรรมสองของพระพิจัา แต่ขนาดนั้นยังไม่เกิดเด้เวลานี่ยยังไม่เกิดก่อนถ้าหากว่าอยู่นั่นเอกศตาจิตมีกําลังอยู่นั่นนานๆแล้วจะจับเอกศตาจิตคึ้จับอาการจิตนั้ได้ว่า อ, อ, นนอาา๋ออันนี้เองคําว่าจิตเกินนี้เองคือว่าใจกันเอง อันนี้ไม่พูดถึงเรื่องจิตแลยพูดถึงเรื่องใจคิดตรงมันเป็นของกลางไม่ส่งมาส่งกลับไม่วิตกวิจารไม่มีความทรงไสยอะไรยทั้งหมดแม้แต่อารมณ์ก็ไม่มีแต่มันรู้สึกของมันเพียงเฉพาะความรู้สึกของมันจะเกนั้ใจจกอารมณ์ก็ยังไม่ใช่เครื่องไม่มีเครื่องยึดแต่มันรู้กของมันเอง ตรงนี้แหละถ้ามันมีพลังเต็มที่เต็มกําลังอยู่แล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาจากนั้นในขณะดนี้มัรู้ก่อนหรอกพอมันถอยออกมาจากนั้นแหละผันเขมันรู้ตัวอะไรกับมันถอยเลยไว้ไว้จากนั้นในขณะนั้นมันมีแต่เพียงความรู้สึกความรู้ของมันความรู้สึกของมันเฉยๆเพราะมันถอยมาแล้วมันจะส่งนะทัน มันจะเกิดความรู้อะไรเกิดขึ้นมาจากไหนออกกันนะจะรู้พิดรู้ถูกคือนรู้เจ็บรู้ป่วยก็ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ก็ดีรู้ตรงมาจากไหนรู้ยังไงอย่างเรารู้สึกเมื่อยมึนขึ้นมาเห็นชัดเลยทีเดียวตัวเอกขตาจิด ค้ว่าเอกาจิตจิตอันเดียวนั้นมันไม่มีเพราะมันเมื่อยมันรู้สึกอะันอ๋ออันนี้อาการจากมันออกไปจากนี่เองเมื่อยมันออกไปจากนี่เองมันออกไปจากอันมันไม่มีอะไรนี่เองครันนี้มันเมื่อยตรงไหนมันเมื่อยแท้งขาเอวกรดีอะไเด็ตรงไหนต่างกรดีมันไม่เห็นชัดอันนั้นมัน มันเกิดจากอันนี้ต่างหากนั่นเป็นอาการของนี้ต่างหากรู้ชัดมาเลยพูดถูกเข้าใจชัดจิตที่มันส่งสายไปยึดไปถือไปหลงมัวเมาแล้วองไปสําคัญหมายมันนั่นนี่อะไรต่างเห็นชัดเลยทีเดียวอันนี้เดียมันทําให้ใจเศ้าหมองเพราะมันใสอย่างนี้ถ้าไปถึงตรงนั้นมันไม่เศราหมองมันฟังใสยังเหลือใจแล้วมันไม่เศราหมอง ที่มันสารหมอเพราะมันมีอย่างนี้เองมันมีอาการคือมายอย่างนี้เองเรีอกมันจะไปเสารหมอถ้าจะเข้ามาเรียบเหมือนกับโลหักถ้าหักคัดได้สะอาดดีๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีฝุ่นละอองสิดมันก็ใช้เขี้ยวอยู่เลยถ้าหากว่ามีอาการคือมาจเรียกว่ามีฝุ่นละอองหรืออาจจะ กับเกิดสนิมกระด้เห็นชัดเดียวสนิมกับโลหะนั้นเป็นคนละเรื่องกันแต่อาศัยกันใจทึกของกลางกับอาการของใจเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าอาศัยกัน่าอาศัยกันนี่หมายความวิสสองอะยังคออาศัยกันท่านเดียวก็ไม่มีอะไรถ้าเห็นชัดคือมาอะไรกันนี้ เรื่องต่างๆสารพัทุกอย่างที่ไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกมันวิจารณ์อิจาราต่างสารพัทุกอย่างเห็นชัดขึ้นมาเลยแล้วไปเห็นเหตุที่เข้าไปยึดที่เขาไปหลงที่เขาไปถือถ้าไม่ถือก็มีอะไรเห็นไฟว่าถือออกทุกอย่างทั้งสอนของประเดีจยว คือจากอนั้นจากพระเทศไทยของผมที่ผมเป็นหนึ่งว่าของทั้งหลายออกไปจากหนึ่งเที่ยวพอทุมาอันอุปมาอีกฝังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็ออกไปจากหนึ่งสองก็หมายว่าความหนึ่งสองผลสามก็หนึ่งสามผลนั่นเองเดี๋ยวจะพูดอีกหนึ่งเนี๋ยก็เหมือนกับว่าอาการที่ไม่มีอะไรนั้นเป็นของว่าง จะมีความรู้สึกเฉพาะห้องมันอยู่คนเดียวเนี่ยมันว่างมดต่จากที่จริงดูอย่างว่างก็เหมือนกับวงกลมของศูนย์เขาเขียนตัวเลขเขาต้องศูนย์ลงศูนให้ก่อนเขาเขียนศูนย์นเรียกว่าลักศูนยแล้วยังก็เขียนเลขต่อไปเป็นหนึ่งสองสามส้าต่างเรียกว่าลักสิบตลักร้อยลักพันลักหมื่นลักแสนอะไรเขาพูดกันไป หมาความว่าถ้ามีสูนยแล้วก็นับไม่ได้นับคิดย์ไม่ได้นับร้อนับพันไม่ได้ถ้ามีศูนยคำหน้าคำสองต้องไปจับถ้าไม่เข้าถึงหนึ่งแล้วนะ่ะเป็นอันุวัตรสองสามมือไม่มีหรือว่าถ้าไม่เข้าถึงหนึ่งแล้วไม่ถึงใจอันใจสะอาดใจว่างเปล่าแล้วนะัก็จะไม่รู้เรื่องของ กิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสทั้งหลายที่มันยอะเยอะอันท่านจึงได้บัญญัติถูกตตอนี่ว่าบัญญัติกิเลสบัญญัติทั้งหลายนั่นอาการของกิเลสทั้งนั้นที่ท่านบัญญัติตาหูจมูกลิ้นไตถ้ามันมีตัวนั้นแล้วมันก็แสดงออกไม่ได้มันต้องมีอันหนึ่งนั่นก่อนแล้วเแสดงออก นนหนึ่งคือตัวใจกลางนั่าแสดงว่าทางตาทั้งหทงกกใใูทั้งจมูกทั้งร่างกายทังใจที่โบราณนี่คนทั้งหลายพากันพูดนะโยนักหนาว่าชิเลศพัน่าว่าทั้นาาหาร้อยแปดทัหาร้อยแปดนพูดมากว้างพูดเฉพาะคือเรื่องความทะเทายอะยานอยาก นี่นะั้งทางหกนี่แหละเคือยนต์ตั้งทางหกนั่นตาหูจมูกจีนใจใจที่มันส่งออกไปตามนี่แหละตามตาตามหูตามจมูกตามจีนส่งไปให้ยินดีให้ยินลายให้สุขให้ทุกข์เป็นคู่เป็นคู่กันไป และอันี Stretch ้ยินดียินร้ายก็ดีทุกทุกข์ดีทั้งอดีตทั้งอนาคตและก็ยินดียินร้ายทั้งสุกทุกทั้งหยาดทั้งละเอียดทั้งใกล้ทั้งไกลคู้นเข้าไปเถอะหกคือยินดียินร้ายอันตี้ห้าทางหกมาเป็นหกกินด uh ียินร้ายหกสองไปเทีบสองเอาคูนมาไปอันนี้หกสองเทียสองละยินดียินร้ายนี่ ทุบทุกคนน่ะเป็นทั้งอดีตทั้งอนาคตเอาที่สองกลุเข้าไปทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วก็ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งใกล้ทั้งไกลพูดไปรวมรวมก็เป็นน้อยแก็ออกไปจากอันนั้นน่ะออกไปจากตัวใจตัวกลางถ้ามีนั่นแล้วไม่มีประโยชน์นเลยตาหูจะหูติงกั น, กน ถาจะมาเปรียบตาของเรานะี่ยหรื่องหูของเราก็เหมือนหูเทียมเนะ่ะตาก็เหมือนกัแบแว่นของเรานะ่ะถ้าออกจากตาเราไปแล้วไนะม่มาสวมไม่มีประโยชน์ได้ทิ้งเฉยใจของเราตรงไหนสันงถ้าหากว่าไม่มีแต่แล้วน่ะตาหูจะมูกไม่มีประโยชน์เลยแม่แต่ตัวคนเราทั้งตัวกั น, นถ้าไม่มีใจแล้วมีประโยชน์อะไร อันนี้ว่าเปลี่ยนก็ท่อนหินก่อนดินเนื้อไม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็ท่อนไม้ย่างเราจะกราบจะไหวจะนบยกมือไหวใครก็เดีกราบพระไหว้พระก็ดีมือมันทำไม่เต็มเลยถ้ามีใจเราทาให้ไหด้หรอกทาดีมือบอกให้ใจบอกให้มือทําดีคือกราบด้วยจารไหว อันนี้ใจเท่วนะั้นน่ะมันออกจากตัวกลางแลยอนะเอ๊ะสอนให้ขวันเขาให้ข่าเอาให้ตีเขาให้ต่อยค ร, ร, รับมนันไม่รู้สึกหรอกมันไม่รับผิดชอบเสียด้วยเจ็ต่อยเสาให้กูลองดูทําป้านต่อยแรงเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกมันมันก็ไม่รู้จักอะไรหรอกเจ็บมันก็ไม่รู้จักเจ็บหรอกต่อยไว้เถอะเกนแตกจกนว่าก็เถอะควัน มันไม่รู้สึกหระที่ใจนี่ตั้ห่านะบอกให้มันต่อยใจแล้วเป็นคนเจ็บไปยืดเอากาปัน้นมาเป็นตนเป็นตัวเรื่อยเจ็บใหญ่เจ็บโตขึน้นตัวกำปั้นนะั่นอ่ะมันไม่รู้สึกอะไระบอกว่าทำอะไรไมาทำได้หมดนั่นถ้าไม่มีใจอย่างเดียวเธอไม่มีประโยชน์เลยเลนี่เดี๋ยวททั้งหลายที่จะเป็นกุศลก็เกิดจากใจตรงนี้ ที่เป็นอกุศลก็เกิดจากใจนี้ที่จะให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระให้มหมดชะทางบนทั้งปากทางอกงุศลอกุศลอะไนี้ว่าคือไม่มีอารมณ์กังวลหมดยังเหลือแต่ของอันหนึ่งคือเป็นของกลางเข้าถึงหลักของกลางจึงเห็นใจเป็นของชัดออกมาโอ้ท้อเดิมได้ตีใจจีตเขาเรียกอย่ที่ท่านเรียกว่า ภาวังภาจิตสิจิตคือพบของจิตใกล้ๆกันเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องเจะรีบไปจิตหือจิตเดิมจิตตังประพัฒนสรางจิตท่องใสจิตสะอาดของเดิมที่เราพูดถึงเรื่องนั้นแหละมีบางคนมีบางอาจารย์พูดถึงเรื่องเจริบไปจิตหรือภาวังภาจิตยืมจิตจิตประพัสอน เมื่เรานอนหลักบโดยจิตประพัดสอนบางองค์ท่านอธิบายแนวนั้นจิตนอนหลับมันไม่ไม่ใช่ประพัดสอนประพัดสอนคือฟองใสมันจะฟองใสได้นอนหลับมันคิดคุนอยู่วุ่นวี่วนวายบางคนขวันไปเรื่องขอบเขตเลยนั้นในจิตมันไม่ใช่จิตของใสไม่ใช่จิตสะอาดจิตสะอาดแค้คิออย่างว่านี่สิที่มันปล่อยวางทั้งหมด ยังเหลือแต่อันเดียวคือความรู้ ส, สึกข้อมันอันเดียวมันก็ใส่เขี้ยวอยู่คนเดียวนี่ฉัเรียกว่าจิตของใจเนาะรับอันที้ของใสแท้วนีคิดคุณโดยประกาศต่างๆ ส, ส่งวุ่นวายจนฝันไปร้อยแปดบรรประกาศอันนี้พูดทั้งเรื่องที่เกิดของใจในที่เกิดของธรรมะคือคําสอนปริจจ์เกิดอย่างนี้ สาเธอใครๆก็ตามเถอะพระพุทธสาวอกทั้งหลายก็ตามถ้าทําเข้าถึงตรงนั้นแล้วก็ธรรมะของพุทธเจ้าที่เทศนาไว้เกิดขึ้นมาตรงนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าเทศนาไว้นั่นพุทธเจ้าเทศก่อนเลยแท้จริงนั้นธรรมะเกิดขึ้นวัตถุผลอย่างไปตรงกับที่พระพุทธพเจ้าสอนไว้ถ้าไปถึงตรงนั้นนั่นมันอะไรเกิดขึ้นมาตรงนั้นธรรมเกิดในที่เดียวกันเหมือนกันกับพุทธเจ้าอางไปตรงกับธรรมสารพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าสอนก่อนรู้ก่อ นี่ที่เกิดจำให้ได้ที่เกิดพุทธศาสนาให้รู้จักอย่างนี้จริงจะรู้จักว่าพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนเกิดตรงไหนไม่รู้เลยโน่เนะ่ยไปพูดทั้งเรื่องเกิดในเมืองประเทศอินเดียพระจิตาลาสุกรมาณได้ตรัสรู้อนุตตรธรรมสมาธิโพธิญาณที่เมืองอินเดียบนพระุทธเจ้าเกิดทั้งนมดพุทธศาสนาเกิดมอันนั้นศาสนาสอของพระพุทธเจ้าคือพระสิทธา แต่ในพ้นที่สุดพระจิตท่าก็ไม่รู้ตรงนี้แหะเกิดที่ใจใสสะอาดบริสุทธิ์พวกเราก็ถ้าทําถึงตรงนั้นกัมื่อเกิดคนรุ้ตรงนศาสนาจะมาเกิดตรงนั้นเองไม่ใช่มาเกิดที่อินเดียมาเกิดที่ใจของนั้เองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเรารู้จักที่เกิดของพุทธศานสนานี่เที่ยวที่เกิดไปก่อนคราวนี้ข้อที่สองต่อไปเราทํำยังไงจึงศ า, ส, าสนาจะเกิด มีขึ้นในตัวของเราเกิดขึ้นในตัวพระพุทธเจ้าแล้วเกิดขึ้นในตัวงภาสาวกาพระพุทธเจ้าปฏิสาว่างหลานนี้ท่านทําแก้วท่าน ใ, ใสสะอาดให้บริสุทธิ์พุดผ่อมแล้วสาสนายก็เกิดขึ้นตรงนั้นเราก็มาดําเนินตามท่า น, นสิท่านดาเนินยังไงท่านกำหนดลมหายใจเ ข, ข่าหรือท่านกำหนดมรารนามสติหรือท่านกําหนดทุก จนใจกระทั่งเข้าถึงเอกตาลมเราอธิบายมาแล้วลดจากเอกตาลมเอกาสมงไทิ้งเสียยังจะเอกตาจิตเราทําได้อย่างงี้สิทําให้สาหัเกิดเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทําถึงตรงนั้นมื่อกี้ยังไม่เกิดถ้าหากทําได้บ้างเล็กเ ก, เกน้อยสมมติว่าเราส้ารวมใจได้ ไม่ตรงสายยังเหลือใ่เพียงเอตตตาลมจะเรียกว่าศาสนาเข้ามาไล่แล้วจนจะถึงหลักของพุทธศาสนาแล้วตรงนั้นน่ะเข้ามาไล้ขึ้นมาอะไรถึงเอตตะตารมเมื่อถึงเอตตะตารมเราก็จะรู้เลไม่รู้ลึกละเอียดัึงขนาดไ้นยังรู้พอพอจะเข้าถึงหลักพอจะเข้าถึงอย่างทีง่กล่าวสองสี่เจ้าว่าง เรามารู้อย่างนี้ใจของเราถ้ามันมีอารมณ์มันเดียวมันไม่ทรงท่ายเราก็รู้จัก่เอาที่จะจิตไม่ทรงท่ายคือมันหายที่จากทุกข์กรวนกระวายความเดือดร้อนทางพวงหายไปความทะเยอทยานที่เราจะหายไปเมื่อมันมาอยู่มันพักหนึ่งแล้วมันออกไปอีกเราก็เห็นว่าโออ้ที่มันไม่ทรงท่ายกระวนกรวายมันไม่ใช่ความสุขอันนั้นเป็นเรื่อง ขังขวบมัวหมองอันนั้นเป็นเรื่องของกลุ่มสิรินั่นเป็นเหตุให้จิตอุ่นวิบวัวายเดือดร้อนเป็นทุกข์เรากระลุกแต่ก่อนเราไม่รู้ดิคือยังไม่ัถึงเอกก็ตารมอารมณ์มันเดียวนั้นมี่แต่อารมณ์มันมากมาบวหูลมได้ค่ะนี่ลมมันมากบวหูลมไม่ใช่เอกกับตาลมไม่จับอะไรไปถูกลูกเท่านี้ก็เรียกว่าเรารู้ถึงทำคําสอนที่เจ้าบ้างแล้วละ่ะ เรียกว่ามองเลือส่องเห็นทางถึงจะไปไม่ถึงพ็ผู้ใจเจ้าหรือทำทั้งสองผพ้ใจเจ้าก็เรียกว่าเรามองเห็นส่องเห็นทางทางที่จะไปอยู่แล้วผู้ทด่ทาได้ขนาดนี้ก็จะมีความพยายานเพียเ่ยนเลยส้าวหนานเชื่อมั่นในความสุขความสบายนะความสงบเยือกเ ย, ยน็นะก็เป็นจะเป็นไปประสบก้าหนาน ถึงว่ามองสองเห็นบ้างเท่านี้ก็เรียกวเกิดขึ้นมาแล้วเราสร้างเขาทำคือค้ามสองพระเจ้าให้เกิดนี้ขึ้นเราทําอย่างนี้เรียกว่าเราทําตามข้าสองพระเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราทําอย่างนี้เราดำเนินตามรอยของพระองค์แล้วปลู ก, รกหรือเราทําให้ข้าสองพระเจ้าฟ้าดกดเกิดมีขึ้นที่ใจของตนเนี่ย วิธีทำให้เกิดมีหลายเรื่องยาพิ่ทุดเรารักษากายวาจาใจเพื่อรักษาสินดวุสาหะวิยาภาคเขียนในท้อถอยด้วยการละชั่วทำดีเรื่องทั้งหลายนั่นอ่ะรู้ว่าแต่เราเดินตามทางตามแนวทางที่จะให้เข้าถึงหลัก คือวิธีที่จะสร้างทั้งสองจะจะเกิดมีไห้สนอันนี้มันเกิดมีแล้วบางทีมันก็ตั้งใหม่บางทีก็ไใหม่อย่างเขาปลูกไม่ตรงในสวนอยเนี้ยถ้าต้นอ่อนค่อยจะจะตายถูกแดดหรือน้าไม่ได้ลดหน่อยก็ตายถ้ามันต้นโตแล้วมันแก่ขึ้นมาแล้วมันก็สบายหรือหากโตขึ้นมาแล้วปคอยรับจากฝนถึงบบาเวลาที่จะต้องออก คนไม่เราได้ถามเรารักษาใจของเราเราสร้างธรรมคําสอนไว้จับคือความเชื่อมั่นเห็นว่านี่เป็นความสุขบางทีมันกได้มันไม่ชอบเลยแล้วเห็นว่าสุขมันยังไม่ชอบเห็นว่าดีอยู่แต่ยังไม่ทันไม่ดีจริงหรือมันยังยังเสด็จไเรื่องเก่าของเก่าอันที่หลงหลงมัวเมามัวเมาไว้ก่อนดี๋ยวก่อ มันยังส่งสายไปตามเดิมอันนี้เรียกว่ามันยังต้นอ่อนมันยังตั้งตั้งไม่ติดแล้วพ ย, ยาย้มให้คิดนึกพิจารณาค้นกว่านะั้นเราไม่ของไม่จริงไม่ของไม่ดีเทียบอยู่เสมอถ้าเป็นใจที่มันสงบแล้วก็ไม่สงบมันมีความสุขต่างกาันแล้วมีความนี่มีเวทสงบต่างกาัในให้รู้สึกคุณค่าของการที่สงบจนกระทัง่งมัารวมเข้าไปได้ จนใจให้หนักแน่นมั่นคงไปตลอดเวลาเขาเรียกว่าต้นไม้เนี่ยค่อยโตขึ้นแก่ขึ้นพอยืนต้นได้ไม่ต้องรดน้ำอะไรขังหลังมาคือไม่ต้องระวังมันเป็นเองมันเวลายืนเดินหน้างน้อยแล้วประกอบอะไรต่างๆมันพิสเป็นมันเป็นเองเพราะมั่นคงของใจเชื่อมั่นของใจเราเชื่อในความสงบมันแล้วทําความสงบมันก็ได้เมื่อไรก็ได้อันนี้วต้นไม้แก่ขึ้นมา เราทํางั้นอยู่ตลอดเวลาที่หลังไม่เราใจเย็นใจได้อะโออันนั้นเป็นสภาพของใจไปฮะอาจารย์ของใจไปฮะจนกระทั่งเราปล่อยวางเครืองไมเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะอาการของใจที่มันทสรงใสยเพราะรู้เข้าพอใจตามจิตมันแล้วเห็นเรื่องเห็นราวของมันหมดทุกอย่างแล้วเมื่อสบายก็เกิดผลขึ้นมาความทุกข์อย่างนั้น นี่ ว, วิธีที่จะทําให้พุทธศาสนาเกิดขึ้นขึ้นที่หัวใจด้วยวิธีอย่างนี้ส่วนทิ่ดานวิธีที่จะทําี่ดานกว้างกว่ามีมากที่สุดอันนี้ว่าแต่เฉพาะรักใหญ่ใจความนี่ศาสน า, สนาสเกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้เกิดทีใจนะที่พูดมานี่แต่คนใดเนี่ยพอทั้งเกิดกเอาไว้ซะก่อนขอให้ขอให้เข้าใจใ น, นหลักนี้ซะก่อนวิธีที่จะทําให้เกิดขึ้น อันนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะจะรักษาไว้ได้อย่างไรถ้าไม่รู้จักวิธีรักษามันก็ไม่ไหวเหมือนกันได้ของดีดีดีมาไปทิ้งไว้ไม่รู้จักที่เก็บที่รักษามันก็กระจายกระจายหายสุญได้เหมือนกันของดีจะตามของเลวไปถ้าเรารู้จักรักษานะของดีเราเรารู้จักเราเป็นของดีของเลว แล้วกรู้จาว่าของเลีวเราได้ขนาดไหนมีขนาดไหนให้รักษานั้นไว้ให้พอใจในสิ่งนั้นไม่ว่าให้เกิดศรัทธาศรัทธาเป็นของสําคัญศรัทธาน่ะเป็นกระจาดสาหรับจิตเจ็บทําั้มสองมือเจ้าไว้ไม่ใช่พระไตรปิฎกถ้าตายไปิฎกเขเรียกว่าขจาดแต่ว่าเน้นในขจาดตามโดยหนังสือ ในจัดที่เป็นของจริงคึอนามาทําได้แค่ความเชื่อมัน่นพอใจในสิ่งที่ตนได้ในสิ่งที่ตนเห็นที่ตนมีอยู่นั่นมันไม่มีอะไรได้เท่านี้ก็เอาละทำความพอใจทำความอินใจแต่นานๆ น, นัดเขาน่าจะไม่พอใจคนเอาแไปงั้นมีอะไรขั้นอยู่นานๆแล้วมันจางๆคิดผืดไป คือไม่แน่นแฟน้มคือไม่พอใจมีอะไรก็ตามเถอะเค่งใช้ไม่ถ่ยไหวั้งหมดแม่แต่ตัวของคนเราได้มาเนี่ยวิต ก, กเบื่ออยู่นานๆแล้วจกเบื่ออยากตายเนี่ยมันยังเป็นได้อันทำ ม, มากที่เราได้ก็เหมือนกันมันได้มาแล้วมันชักจะเบื่อ น, นานนะครับอันจริงที่มันได้ที่มันเบื่อนะนะั่นแหะคือเราไม่มีความ ไม่มีการรักษาคือแล้วไม่มีวิธีที่จะรักษาดูอย่างนี้ก็แล้วกันเขาได้รถได้ลาได้เครื่องใช้แล้วมันก็ตามเถอะถ้า น, านานแล้วสีมันตกมันชักจะตกเก่า เ, าเาขาจะพ้นสีใหม่จะดูมันสดสวยมันง า, นาคือหมายิตใจก็ค่อยเปิดบางขึ้นอือดูเถอ้าวพนที่เรานุ่งเราห่มที่เราใช้เราใสยนานมาน า, นานงนักเข้ามันเก่า ถ้าจะคิดเก็บไม่อยากเก็บไม่อยากชักจะแล้วถ้าหากเรามีวิธีที่จะชักก็หรืออบมันมีกิ่นหอมขึ้นมาอีกหรือมีสีใสให้มันมีสีเขียวทีอ่อนอะไรต่างๆกัาตาเลยถ้ามันย็นตาเย็นใจแล้วไปชอบขึ้นมาอีกทำมากก็แทนนมเดียวกันถ้าหากว่ามันชักจะเบื่อคือว่าสตางคเรามันน้อยไป เราพยายามที่จะให้เกิดศรัทธาในตัวนั้นคือพิจารณาตอนทบที่ไปมาย้อนหน้าย้อนหลังแต่ก่อนเราไม่เคยได้แต่ก่อนไม่เคยมีมาเวลานี้เราได้เรามีเราเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นเจตของหาได้งง่ายของหายากแสนยากลับาส ท, ที่สุดของอันนี้เรียกว่าเป็นของหาไยาไม่ไม่ใช่เรืง่ายก็จะน้ า, ยาเราได้อันนี้ก็เรียกวเป็นของดีของขครคับมันก็ทําให้เราพอใจเราทำให้เกิดศรัทธาเชื่อฟัง ความจริงนั่นคือความจริงอันนี้ที่เราได้มานี่แหละมันมีความสุขความสบายทําให้เกิดจิตใจเบิกบานได้รับความสุขความสงบของอันนี้ไปเฉยาได้ง่ายเป็นของทํายากแสนยากแล้วพิจารณาจนให้เห็นตามเป็นจริงนันเป็นจริงอะไรจริงความจริงไม่ใช่ของหายได้ง่ายของหาได้ยากมันก็เป็นคนกระต้องการคนกระชอบ เราเห็นของทำเธอเราเป็นของอะไรอย่างเราก็ชอบใจเกิดศรัทธาเรื่องอะไรนี้นั่นะพุทธศาสนาจริงจะตั้งมั่นวิธีที่จะรักษาศาสน า, าไปได้คือความเรื่องใส่ใจยินดีกับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยอวิธีรักษ า, า พ, พุทธศาสนาทาววต่อไปวันนี้อธิบายถึงหละสามประการพูดถึงเรื่อง ต้นตอบ่อที่เกิดของพุทธศาสนาคือความสงบนี่เมื่อเรารู้จักว่าตรงนั้นเป็นที่เกิดของพุทธศาสนาพระเจ้าที่จะได้ทำคําสอนพระเจ้าที่ได้ทำคำสอนมาสอนพวกเราเขาคือเกิดจากความสงบตั้งอธิบันแล้วอั น, นนี่เราทําอะไรจึงธรรมะคําสอนเลยจึงจะเกิดขึ้นมีในตัวของเราไม่ต้องอยู่ในที่อื่นให้อยู่ที่ตัวของเราเลยเราก็จะต้องทําความสงบอย่างพุทเจ้า ด้วยการอบหลมฟึกฝนพล้วนาทําสมาธิจนจิตให้เป็นเอกาตาลมเอกาตาจิตเกิดความรู้ขึ้นมาทีนั้นเห็นชัดขึ้นมานี่เห็นจริงขึ้นมาที่นั่นเรียกว่าสร้างหรือไปสร้างคําสองพระเจ้าให้เกิดมีขึ้นมาวิธีให้เกิดให้ธรร ม, มาเกิดขึ้นในตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เมื่อทําเกิดนี่เจ้าตัวของเราที่ใจของเราที่เป็นเอกภพตาลมแล้วไอเอ ก, กาตาจิตแล้วธรรมะนั้นก็จะไม่เป็ี่ยนฐานบาปหายากไม่ต้องไปสแสวงหาที่อื่นธรรมะในมีพรอบอยู่แล้วทุกขนาดนี่เป็นข้อการในที่ทําให้เกิดขึ้นถ้าคราวนี้มาเป็นเชนนั้นแล้วก็ให้รักษาโดยรวมพอใจเนเรื่องใสยินดีในธรรมที่ตนมีอยู่มาเป็นของดีเลิศเป็นเสือหาได้ยาก ก็มันจะเสื่อมไปแล้วมันไม่พอใจเราก็จะต้องใช้อุบายวิธีหรือเงียบคายต่างๆให้เกิดความพอใจว่าเป็นของหายากลําบากที่สุดและเป็นของมีคุณค่าอย่างยิ่งแต่ก่อนเราไม่เคยทําได้วเวลานี้เราทําได้เพียเดียว่าเป็นของเป็นโชคลาภดีที่สุดเรียกว่าปลอบใจหรือว่าทําให้ใจของเราเกิดศรัทธาเรื่องใสอันนี้เป็นเรื่องเงีบคายอยุบายของตนผู้ที่จะรักษา ทรัพย์สินเงินทองและของอะไรก็ตามที่มีอยู่ที่จะรักษาให้มั่นคงทาวรต่อไปด้วยปัญญาามสามารถของตนที่แยกขายนี้นี่ที่อธิบายมาในวันนี้มีเนื้อความพอจะสรุปรวมได้เสียงเทเนียพรจ ะ, ะนั้นขอทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนผระชนคือนับถือพุทธศาสนาอย่าพากันนับถือไว้เฉยๆอบูช้าไว้เฉยๆ ใ, ให้รู้จัก ต้นตอบอ่อเกิดและวิจาริธีให้เกิดขึ้นพระพุทธศาสนาสอนเราปฏิบัติให้กระ ท, ทําไม่ใช่มาเทิดทูนบูชาไว้เฉยๆถ้าบูชาเทิดทูนเฉยมันอาจจะหลุดร่วงไปได้ถ้าเกิดมีขึ้นในใจของตนแล้วไม่มีวานจะหลุดร่วงหายไปไหนติดมั่นอยู่ที่ใจของตนนี่เมื่อเรารักษาเมื่อเกิดมีขึ้นมาแล้วเราจะพยายามรักษาใจของตนไว้ได้ รักษาธรรมไว้ที่ใจตนไว้ให้ถาววันมันคงต่อไปมันก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนในชาตินี้รลยารับนาดังอธิบายมาด้วยประการ